ให้ทุกคนทุกท่ันจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้องลมหายใจของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องนั่งตามสบายวางกายให้สบายหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ถึงเราละมาได้เด็ดขาดก็ขอให้หยดุดโดยการสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้องลมหายใจของเราลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวใจของเราก็จะสงบตังมันขึ้นความรู้สึกสัมผัสลมหายใจที่กระทบปลายจมูกของเราก็จะชัดเจนนี่แหละที่ท่านเรียกว่ารู้ตัวพยายามเราสร้างความรู้ตัว ต, วตรงนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้น ตั้งกระตืดขึ้นให้โตเนื่องให้เชื่อมโยงจนกว่ากําลังสติของเราจะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เอาไปอบลมใจของเราส่วนใจส่วนการเกิดการดับของใจการเกิดการดับของอาการของใจหรือว่าขันห้าความคิดของเรานั่นแหละเขาเกิดเกิดดับดับเรารู้อยู่เพราะว่าใจเป็นธาตรู้ เรามาสร้างผู้รู้คือมาเจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราใจเกิดกิเลสเราก็รู้จักละใจเกิดความเกียดค้านเกิดความตันีแนี้วแน่นเราก็พยายามขัดเกล่จนกว่าใจของเราจะคลายออกจากความคิดจึงเรียกว่าแยกรูปแยกนามนั่นแหละใจก็จะหายขึ้นมาใจก็จะว่างกายก็จะเบา ความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมาก็จะตามเห็นการเกิดการดับของอาการนกขันห้าว่าเป็นเรื่องอะไรบางทีก็เป็นเรื่องอดีตหรือ ว, ว่าเรื่องอนาคตบางทีก็กลางๆบางทีก็เป็นขุนศน์บางอกุศลบ้างเราพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์อบรมใจของเราตามดูอาการของขันห้าเห็นความเกิดความดับเห็นเหตุเห็นผล ทุกเรื่องจนใจยอมรับความเป็นจริงได้ใจเขาจึงจะปล่อยวางได้ขณะนี้เวลานี้กำลังสติของเรามีไม่เพียงพอเพียงแค่ให้ต่อเนื่องกันสักนาทีสนาทีนี้ก็ทั้งยากอยู่ถวนการเกิดข้องใจแล้วก็คิดแว บ, บเป็นอดแวบไปนี่บางทีก็เป็นเรื่องเป็นราวบางทีก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวถ้าเราตามโดูลู่เห็น ควบคุมอบรมใจของเราท่าเนเห็นว่าตนเป็นที่พึ่งของตนตนตัวแรกก็คือตัวสติที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละตนตัวที่สองก็คือตัวใจไปเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลเข้าใจในเรื่องอัตตาอนัตตาเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา ตามคำสอนของพระพุทธองค์รู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยตั้งแต่ตื่นขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทไหนยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเราต้องจำแนกแกกแกงให้ชัดเจนเรื่องความอยากความหิวก็เหมือนกันกายหิวหรือ ว, ว่าใจเกิดความอยากเราก็พยายามหยุดพยายามดับดับความอยากให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยทานกาลังสติของเรามีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จนรู้เท่าทันเห็นรู้จักควบคุมควบคุมแล้วก็เห็นจนใจของเราคลายจากขันห้าพลิกเหมือนกับหมายของที่คว่ำเก็เรียกว่าแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามเพียงแค่เริ่มต้นความเห็นถูกเท่านั้นเองถ้าเราตามดูเห็นความเกิดความดับเห็นกิเลสต่างๆถ้าเรารู้จักขัดรู้จักเการู้จักละให้กิเลสของเราให้เบาบางลงเรื่อย จิตใจของเราก็จะยกระดับเข้าสู่ความสะอาดความบริสุทธิ์ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนไม่มีความเกิดหรือว่าความอยากอะไรที่ใจของเราแม้แต่การเกิดของใจรู้ความจริงแล้วเขาก็ไม่เกิดการเกิดก็เป็นทุกข์การไปยึดนั่นยึดมั่นในสิ่งต่างๆก็เป็นทุกข์ กายเราทำหน้าที่อย่างไรเราต้องทำความเข้าใจเราจะไปห้ามตาอย่าไปดูนะก็ไม่ได้ห้ามหูอย่าไปฟังนะก็ไม่ได้เพราะเอาเป็นหน้าที่ของเขา <c oughs> รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ต, ต่างๆก็ผ่านมาทางทวันทั้งหกที่ท่านบอกสักต่วะดูสักต่วะรู้สักต่วาฟังมีสติปัญญาคอยดูคอยรู้ใจของเรา มันเป็นอย่างไรบ้างจากกระทบรูปใจเกิดความยิน ด, ดียินร้ายไหมโห้ทบเสียงใจเกิดความมิน ด, ดียินร้ายหรือเปล่าผักใส่หรือเปล่าหรือว่าดึงเข้ามาหรือเปล่าใจของเราเป็นกลางแล้วปกติมีหลายเรื่องที่ต้องศึกษาค้นคว้าทุกเรื่องเลยจนกว่าจะหมดลมหายใจเพียงแค่เรื่องลมหายใจเข้าออกก็ขาดการวิเคราะห์ขาดการสังเกตกันมากทีเดียวคนเราอยู่เนื่องด้วยลมหายใจตั้งแต่เกิด ถ้าไม่หายใจแล้วภายในนาทีสองนาทีก็ไปแล้วทั้งสามนาทีก็ไปแล้วเราขาดการพิจารณาเพราะว่าใจของเรายังหลงอยู่ทุกคนก็ถ้าไม่ได้เจริญสติให้ต่อเนื่องเราก็ว่าเรามีสติมีปัญญาเต็มเปี่ยมสติปัญญาของเรานั้นมีเต็มเปี่ยมก่จริงแต่เป็นสติปัญญาของสมมุติของโลก ไม่ใช่สติปัญญาที่จะเราจเจริญขึ้นมาสร้างขึ้นมาเขาไปขัดเก่ากิเลสเขาไปอบรมใจที่เหตุที่ผล เราต้องมาเจริญสติหรือว่ามาสร้างผู้รู้ให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงจนเอาไปใช้รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้จักพิจารณาอันนี้สมมุติอันนี้วิมุตติอันนี้เรื่องก็อัตตาอัตตาอนัตต า, อ, ตตาอันนี้ภาษาธรรมภาษ า, า, ษาโลกถ้าใจของเราคลายแยกรูปแยกนามได้แจขงเราก็เป็นธรรม อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรํำเนินก็ตามมาแต่และ ว, วันตื่นขึ้นมาเราพยายามสร้างความพยันมันเพียนถ้าเราไม่สอนใจของเราไม่มีใครจะสอนใจเราได้ลอกนอกจากตัวของเราก็พยายามเอาล้มละลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่เราสอนเราไม่ได้ไม่มีใครจะสอนเราได้ คือครูบาอาจารย์ก็เป็นแค่เพียงตำราเป็นแค่เพียงแผนที่ชี้แนะนำทางให้เราพยายามดำเนินให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราท่านถึงบอกให้เชื่ออยู่กับสมมุติก็เขารบสมมุติไม่ยึดติดสมมุติร่างกายของเรานี่แหละกอนสมมุติสมมุติว่าเป็นโน่นเป็นนี่เป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องในทางสมมุตินั้นก็เป็นอยู่ ในทางวิมุตในทางหลักธรรมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมามเกิดมาแล้วก็เข้าสู่ความเสื่อมความสลายตามกดของธรรมชาติถ้าเราขาดการวิเคราะห์ขาดการพิจารณาขาดการแยกแยะทีท่แท้จริงเราก็จะเข้าไม่ถึงตรงนี้การฝึกหัดปฏิบตัติต้องเป็นบุคคลที่ขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศ มันขัดเกากิเลศออกทุกอย่างความเกิดความอยากแม้แต่นิดหน่อยก็ไม่ให้เกิดขึ้นที่ใจให้เกิดด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาถึงเอาการเอางานเป็นการปฏิบัติทําการทํางานไปด้วยใจรับรู้ไปด้วยมีความสุขใจเกิดความอยากหรือว่าเกิดความเกิดนั่แหละคือความหลงเราดับความเกิดเราดับความอยากเสีย ตั้งแต่ต้นเหตุกำลังของกิเลสก็จะเหือดแห้งไปเรื่อยๆเหือดแห้งไปเรื่อยๆส่วนมากก็มีตั้งแต่ส่งเสริมหรือว่าไม่สนใจเพราะว่ากิเลสมันก็ใช้การใช้งานเราตั้งแต่เกิดหลายพบหลายชาิมาเราก็ต้องพยายามเจริญสติเข้าไปเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลสร้างธรรม ะ, ะสร้างบรารมีให้มีให้เกิดขึ้น ในใจของเราใจของเรามีความเฉสละหรือเปล่าใจของเรามีสัจจะเรามีความเพียรด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาหรือไม่ชี้เหตุชี้ผลจนใจยอมรับความเป็นจริงได้นั่นแหละเขาถึงจะปล่อยจะวางได้ผิดพลาดแก้ไขใหม่ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องพยายาม พยายามทั้งอา น, นิสงส์งทั้งบุญทั้งบารมีเป็นข้าวพวกข้าห่อติดตามตัวของเราวันนี้ประมาณทัก้าโมงหรือสิบโมงญาติโยมของเรามีโอกาสก็ได้มาคุณหมอจันทร์หมอจันทร์หมอดาว ที่กรุงเทพท่านจะมาฉีดวัคซีนแก้ไข้หวัดใหญ่ให้ทุกปีทุกปีวันนี้ก็เห็นว่าจะมาถึงวัดของเราก็ประมาณ9ก้าโมงสิบโมงมาฉีดวัคซีนให้ญาติโยมทั้งพระทั้งชีก็มารวมกันที่ศาลาญาติโยมในวัดก็มารวมกันที่ศาลาผู้เฒ่าผู้แก่ได้ยินข่าวทราบข่าวก็ชวนกันมามาฉีดยาแก้ไข้หวัดใหญ่ ประจำปีป้องกันเอาไว้รักษาสมมุติก่อนนี้เอาไว้จนกว่าจะถึงเวลาของเขาถ้าถึงเวลาจริงๆแล้วเอาอะไรมาฉุดมาลั้งเอาไว้ก็ไม่อยู่ถ้ายังไม่ถึงวันละถึงเวลาเราก็ดูแลรักษาเข้าไปจนกว่าจะถึงเวลาเพราะว่าคนเราเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายหมดไม่มีเหลือตายมากตายช้าตายเร็ว ว่ามาัะเอลงศพวันละสองลงสามลงเมื่อวานนี้ก็สามลงมวันละสองลงสามลงอยู่อย่างเงี้ยนั่นแหละความตายไม่ได้เลือกการเลือกเวลาเราพยายามอย่าพากันประมาทพยายามหัดปีคออบรมใจของเราได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่าไปทิ้ง ในการทำบุญในการให้ทานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราทำบุญให้ตัวเราแล้วหรือยังเราละความเกลียดคร้านสร้างความรับผิดชอบสร้างความขยนันการกระทำของเราให้ถึงพร้อมแล้วหรือยังไม่ใช่ว่าไปปล่อยปะละเลยเพียงแค่สมมุติ เราก็พยายามดำเนินให้อยู่ดีมีความสุขไม่ให้ขาดตกบกพร่องถึงไม่ลำไม่รวยเราก็พยายามมีความสุขในความเป็นอยู่ของเร า, ถ, าถ้าถึงวาระเวลาเราก็คงจะถึงจุดหมายปทางกันแล้ววันนี้ก็จเจริญธรรมเพียงท่านี้ปากาันไหวพาะพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารต่อทำความเข้าใจให้รู้ทุกอริยบบท